ท่านสาธุชนมุทบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้มาพบกันในเรื่องราวของมโหสด ป, ปันดิตเขาก่อนนี่มโมโหสดบันดิตพ น, นาความงามขอมั น, นางจันทาทีวีสั่งแวสวยสดงดงามเป็นอมตะจุนันี์คำทัดยืนน้ำลายไหล ความจริงไอ้ข้อใจคนเราก็เป็นอย่างนั้นนหะบางทีเราอยู่ด้วยกันนานๆย่อมเห็นว่าไม่มีค่าแต่คนอื่นเข้ามาชงเ้าหน่อยเดียวก็รู้สูราคามันสูแปลกเพราะของเราใช้จนขีนั่นเองเมื่อว้เจ้จจุนมีจุจ น, น, จนทัตเยีง่งมสนดับถ้อยคำของมโหสถก็ยีง่งทรงมีความอันไล่เนมนสีมากยิ่งขึ้นโสนวรัปคือโรดดเห็นว่า คนอื่นเว้นมโหสถสิแล้วจะไม่มีใครนำพระเมเหสีกลับคืนมาได้เลยลเรอโซนนึกนึกถึงวัานลาวสุดที่จะกลั้นความโศกเอาเลยแม้ที่ทุ่มท้นพระไทยมันได้จะแสดงความโศกมมาโชหินได้ชัดปรากฏ๋อสดยินีกราบทูนพระลบวันลมพระเจ้าจุล น, นีว่าขอเดชะ ขอพระองค์ยสทรงพระวิตตกไปเลยพระพุทธเจ้าข้าพระราชเทวีพระราชเทวีพระราชโอรสพระราชมันพระราชมันดานะขอไม่ดีพระราชเทวีพระราชโอรสพระราชมันดาเขาอองค์แจ้งเสด็จกลับมาเมื่อข้าเราก็เจ้ากลับไปถึงเมริลานครแล้ว มันไม่แต่พระเจ้าทิดาเท่านั้นแหละเวลานี้ตกไปนม่เห็นสีก็ไม่จะวิทยาหราเสร็จแล้วส่งกลับไม่ได้กลับมาก็เป็นไม่เดี๋ยวมีลูกไม่มีพ่อจะลำบากขอพระองค์ทรงวางพระเจ า, าหารไทยขรรการโศกเสียเทอไปเจ้าค่ะ <c oughs> เอาเรื่องไหม <c oughs> นี่โดนหอกซ้ำตำแทงเขาเห็นแล้ว ตอนนี้เขาบอกว่าเจ้าจุลนีเทวเนตดูมหมระเจ้าจุลนีเสนิว่าเราจะได้เราได้ทำการพิทักษรักษาเมืองของเราไว้แล้วปอย่างดีแล้วก็ยกกองทัพมาล้อมอุปกรณ์พระนคร น, นี้ไว้ถึงสามชั้นตมโมโคสดยังสามารถนำมาเหสีนำเมีย นำลูกชายนำลูกสาวนำแม่ของเราว่าตามภาษาของราชาสัตว์มามมี่เสีราชบุตรราชินดาแต่สมุดพระราชหนีของเราเออกไปจากเมืองถวายไปเจ้าวิทยาราชสงสัยดีเอาไปถวายไปเจ้าวิทยาราชได้เมื่อพวกเราตั้งร้อมอุปการะละครอยู่ทั้งสามชั้นอย่างนี้ Ara, ทศยังให้พระเจ้าวิเทียรราชพร้อมได้เสนามาตหนีไปพวกเราแม้แต่สักคนหนึ่งก็ไม่มีใครรู้มหาสดจะต้องรู้เลขคนอันเป็นทิพย์หรือว่าเป็นใบบังตานะเอาสิมาหนะมีงานอีกด้วยที่มีศิลปศาสตร์เมื่อทรงดำเนินเจนิแลเจนิถามมหาสดราชดูก่อนมโหาสดเจ้ารู้คนทิพย์ หรือว่าจะรู้มายบางตาในการที่ปล่อยพระเจ้าวิเทหราชตรูของเราให้พ้นเลืม้อมือไปได้เราสงสัยมอ้โหสดกลาทุนว่าขอนชีชาค่าแต่มหาราชธรรมดาผู้เป็นบัณฑิตหมายถึง ว, ว่าคนฉลาดย่อมรู้กลทิศเมื่อภัยมาถึงบัณฑิตผู้มีความรู้นั้น จะปลดปรืองตนและผู้อื่นให้พ้นจากทุกได้ถ้าหายก็ข้าพระโอรุลวนแล้วจะเป็นคนหนุ่มเชยกันเป็นคนฉลาดได้ช่วยกันขุดอุมโมงแล้วก็นำพระเจ้าวิทธิหราเสด็จไปทางอุโมงนั้นเพียก้าพ่้อไข่ขส้นหามดิดคอต้องปูกเป็นไข้หวัดพระเจ้าจุลนีมีพระพสทอดเป็นเลส ต้องกอารจทอดพระเนศอุพฆาอุมโมะถ้าพระเนตรอุมโมงที่มโหสถบอกว่าตนเล่นนำพระเจ้าวิเทาราชไปฆ่าอุมโมะฉะนั้นจึลีทรงตัจดจุมโหสถว่านี่โหอสถฉันอยากจะดูมโมงที่เจ้าบอกนั่นจริงจริงโหสถเมื่อจะนำสะเสด็จพระเจ้าจุลีเทอดพระเนตรอุมโมงจงกราบถุนว่าขอเชิญเถิดไปเจ้าข่า ขอเชิญองค์เสด็จทอดเนเ็ศอุมโมยงดงามรุ่งเรืองวิจิตรการตาซึ่งมีลวดลายเลขาซึ่งนายช่างผู้ชำนาญได้ตกแต่งไว้เพื่อแฝงสวยงามคล้ายๆก้ะะาเทวสภาพระเจ้าขเชิอเสด็จได้แล้ว <c oughs> อุมโมนี้ข้าพระพุทธเจ้าคิดขึ้นดวยวัญญาของข้าพระพุทธเจ้าเอง พระอง์นี้ทอดเน่หดูเห็นประตูใหญ่แปดสิบประตูประตูเล็กอีกหกสิหกสิบสี่ประตูห้องนอนร้อยเอ็ดห้องโคมระพีร้อยเอ็ดดวงเมื่อออกจากอุโมง์ก็จะเสน่หเข้าสู่พร ะ, อ, ะอุปการณะน์นครที่ข้าพระวจนจ้าเนี่แหละพระเจ้าค่ะทําไมเมื่อออกจากอุโมง์ก็จะเสน่หเข้าสู่อุปการะนนท์นคร ที่ข้าพระพุทธเจ้าอยู่นี่แหละหรือว่าจะสเสด็จขึ้นสู่อุปการรัตนครก่อนแล้วก็าได้เข้าเมืองก็ได้ขอเชิญพระองค์เถิดข้าพระพุทธเจ้าจะให้เปิดประตูเมืองเพื่อเธอทูลเชิญเสด็จเดีเ๋ ynn ี้แล้วมโหสถเกิคนรักษาประตูเมืองเปิดประตูพระเ จ, าจา้าจุลนีพร้อมด้วยราชาร้อยเอ็ดได้เสด็จเข้าสู่อุปการรันคร มโมโหสดลงจากบริษาทถวายังคมพระราชาพาเสด็จทอดพระเนตรอมโมแหม่มันน่าเจ็บใจนะไอเมืองเราเวลานี้ใครล้วพุดอมโมเข้มามาบ้านแล้วเปล่าก็ไม่รู้เรื่องนี้ต้องคิดนะต้องคิดไอเจ้าจุล น, นีทอดพระเนตรเห็นอมโมสวยสดงดงามมันก็เทวสภาเี่ยงจากสันเสรอโหสดวาดดูก่อนมโหสถ นับว่าเป็นบุญญราบอันกระเสริฐที่ชาววิเทหราชได้บัณฑิตเช่นเจ้าไว้ในแคนนั้นโอ้โส่กราบทูลขอบพระทัยที่พระเจ้าจุลนีตรัสยกย่องฉิ้นนั้นแล้วแล้วก็นําสันเด็ดทอดเสน่ห้องหนึ่ร้อยหนึ่งห้องแ้ร้อยอีกห้องนะร้อยหนึ่งมีประตูห้องนองนล้วก่อน เมื่อประตูห้องหนึ่งเปิดประตูทั้งหมดก็เปิดเมื่อประตูห้องหนึ่งปิดประตูทั้งหมดก็ปิดหมดอีกเปิดได้พร้อมกันปิดได้พร้อมกันพระเจ้าจุนณีเสด็จเสด็จทอดพระเนตรไข้างหน้ามโหสถเส ด, สเด็จตามไปข้างหลงังมันดาเสนากีดทาหารค่อยๆเดินเห็นมองดูอย่างเพิ่เกิน จนพระเจ้าจุลนีเสด็จจากอมโม่นะเสด็จจากอมโม่ปรญญาโูตตามเสด็จก็ยามเพิกเพลนอยู่ในอมโมอก็นี้เสียทาตเสียธาตแล้วขอสดขู่พระเจ้าจุลนีเนีพราะตอนนี้นะเมื่อมาขอสดเองพระเจ้าจุลนีเสด็จออกจากอมโม่เยารีบตามออกความบ้างแล้วก็สร้างปิดประตูโมอเหยียบสลักยน กักคนทั้งหลายเหล่านั้นไวในโมงประตูทั้งหมดก็ปิดโคมประทีปทั้งหมดก็ปิดพร้อมกันเรามองมืดหมดภายในอุโมงค์ก็มีแต่ความมืดมองไม่เห็นแสงอะไรเลยบรรดาผู้ติดตามก็ถูกขังอยูในอุโมงค์ทั้งหมดต่างคนต่างก็ตกใจกลัวความตายไปต า, า, ามกันเอาละสิอ๋อสั ใน้คุยดาบที่ตนฝังไว้เมื่อก่อนไา่ว้เมื่อวันก่อนหยิบขึ้นมาโดยเข้าจับรหัสพระเจ้าจุณนีเือ็ดดาบต้านตานจะฟันบันพระเศียรพระเจ้าจุณนีตกสะทยและทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ราชสมบัตินาซโนชมพุทวีปเป็นของใครเอาแล้วเอาแล้วสิ ใเก่กันรู้ปัญญาลูกหลานที่รักถ้าระยะทำงานเพื่อชาติจงทำอย่างมโหสถจองใช้สมองให้มากกว่ากำลังงานทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีแต่ว่าเราใช้กำลังมากกว่าสมองเราก็เป็นคนโลความเสียทีเขาจะเกิด ข, ขึ้นเช่นเดียวกับพระเจ้าจุล น, นีประมทัศ พระเจ้าจุล น, นีพรหมไทยขาดสมองมีทหารต่างเยอะประเทศร้อยอิกประเทศรวงเข้าหมายทหารเท่าไรเมืองมิถิลานะครมีทหารหยิบมือเดียวแต่ว่ามีคนฉลาดมีการจะบริหารประเทศจะทำงานทุกอย่างให้ในดีหรือว่าจะชนะข้าศิกนี่เขาใช้ปัญญาให้มากกว่าให้มากกว่าแรงงาน ถ้าเรามีปัญญามากๆเราไม่ต้องใช้กำลังผลมากแล้วก็สา ม, มารถชนะได้แต่ทำงานสิ่งใดถ้าขาดการใช้ปัญญาใช้แต่กำลังก็มีทางอย่างเดียวคือเสียทีฆ่าศิกว <c oughs> ิธีที่จะปราบข้าราชการโกงกเไม่การจงใช้ปัญญาอย่าใช้เอาวาขวาวิธีอาวานี่เราผิดกฎหมาย เรายะทำยังไงมันจริงจะไม่ผิดกฎหมายทํายังไงย จ, จะไล่ข้าราชารโกงออกไปได้ใช้ปัญญาพิจรารณาเสีก่อนแล้วผลงานนั้นจะสำเร็จผลอย่าเอาประเทศเข้าเป็นเครื่องต่อรองหมายความว่าตอนนี้ว่าการปกครองข้ า, ขาราชการโกงไม่ดีเอาลูกพี่เข้ามามาช่วยลูกพี่เนี่ยเขาไม่ช่วยเราสิ่ง เมื <necessary. S 2> so them, so ่อเขาช่วยเขาเราได้แล้วเพราะเราเป็นเดียนล่างของเขาในที่สุดเขากฆ่าเราได้เป็นนางว่าเทพเขงเราก็ตกเป็นของเขาอย่าทำอย่างนั้นเลยลูกหลานที่รักนิ้วไหมไม่ดีตัดนิ้วนั้นทิ้งไปแต่วว่ิธีแตกคนจะตัดด้วยปัญญาไม่คนตัดด้วยอาวุธแล่าว่ากันไปพระเจ้าจุนัีทตัดไหมตอนนี้พระเจ้าจนันเธอแตกคลักหน้าซี ตาเสียวหมดท่าและตายโกตายแ ง, ง่แงพระเจ้าชนีหมดท่าในตีตัดตัวพูดไปอย่างชนิดก็จะหมดกำลังใจว่าสมบัติในชมพูชีวิตนี้เป็นของเจ้าเจ้าจอมภัยให้แกเราเถิดเราไม่ต้องการราช่สมบัติขอไว้แต่ชีวิตก็แล้วกันเห็นไหมลูกหลานที่รัก พระพุทธเจ้ากำหนว่าเราควรจะสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะเราควรจะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและแล้วเราก็ควรจะสละชีวิตเพื่อความดีของตนคือเพื่อกฎหมายระเ บ, บียบละวินัยราว่าสติแม่เจ้าจุลนีสมุทคติยะมนะยาวสิ้นเชียงแล้ว ยี่นี่ทรงเขาไปกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ขอพระองค์อย่าได้ทรงตกพรไทยไปเลยข้าข้าพระพุทธเจ้าไม่ปรุงพระชนของพระองค์แล้วข้าพระพุทธเจ้าขอถวายลาบนี้แด่พระองค์แล้วมาขอทรงก็ถวายลาบตอบราทิว่าจะให้ยื่นให้กำมือนะถวายลาบกับพระเจ้าจันนีแล้วกราบทูลต่อไปว่าขอเดชะ หาพระองค์ทรงปรารถนายะฆ่าข ma ้าพระองค์ก so so so ็ขออง์ข่าข้าพระองค์ได้ด้วดาบเล่มนี้ถ้าทรงหากจะปรารถนาจะพระราชทานอภัยแก่ข้าพระองค์ก็ขอให้โปรดพระราชทานอภัยเถิดพระเจ้าคะนี้ไอเตหหัวเคขัวแล้วก็หลบหลังนี่มันเจ็บใจเจ็บใจมากๆากไเจ้าจุลนีเห็นใจมโหสถมากที่ถวายดาบแล่พระองค์ ยืนยงแต่ว่าดูก่อนมโหสถปรรดิตเราให้อภัยกับเจ้าเจ้าจรลกคมาเถอดเมื่อเจ้าจุลนณนีกับมโหสถต่างก็จับดาบทำสติยาปฏิยานสาบานว่าจะไม่ ร, รุกรายต่อกันในเจ้าจุลนณนีต่ตโหสถว่าท่านบัณฑิตท่านก็มีกําลังสติปัญญามากเพียงเพียงนี้ เฮจัยไหนจะไม่คิดเอาราชส ม, มบัติเราเสียโอรสบัลลิกีกราบทูลว่าขอเดชะหากข้าพระพุทธเจ้าประสงค์เอาจเจาราชสมบัติก็จะฆ่าพระราชาแลสกลทมภูทวีปเสียให้หมดในวันนี้แต่ข้าพระพุทธเจ้าจะทําอย่างนั้นไม่ได้เพื่อการทําลายผู้อื่นเพื่อหวงังทรัพย์ระยิบแก่ตน นักปราดไม่สั่นเสนเลยพี่เจ้าค่ะทูลแล้โหสถก็ เ, เปิดประตูองโมงให้ผู้ตามเสด็จออกมาภายในโมก็สว่างปรรดาผู้ตามเสด็จอยู่ในโมต่างก็ดีใจออเจ้าโมตรงเข้าไปแสดงความขอบคุณกจ้าหสถที่ปล่อยให้พวกเขารอดชีวิตออกมาได้ <c oughs> ตอนนี้ทางข้อเรื่องท่านบอกว่าหมสหสถเผยความเลยหมอสดเต้นนั่งบนทับปลาที่ว่าทับกับพระเจ้าจุนันี์พมะมทัพ <c oughs> ขอมันไม่ดีลุกหลานที่รักเลยคนแก่ไปอย่างนี้นึงกล่าวว่าหมหสถเต้นนั่งอยู่บนทับปลากับพระเจ้าจุ น, นันท์เห็นพระราชารอรเอ็ดมากล่าวคํำขอบคุณเช่นนั้นจึงกราบทูลว่า ถ้าแต่พระราชาทั้งหลายพระองค์ข้าง้อยอิดไม่ไดรอดนะไม่ได้รอดเพาชนเพราะข้าพระองค์ช่วยไว้แต่เพียงข้างนี้เท่านั้นแล้วก็ได้เคยช่วยมาแล้วในการก่อนพระเจ้าค่ะพระราชาเหล่านั้นต่างสนเทศว่าโมศได้เคยช่วยไว้แต่เมไรบ้างยังไมะถามว่าท่านมันดิต ท่านช่วยชีวิตเราไว้มา่อไรบ้างนั่นลองบอกเขาสิเพราะว่าเสด็กราบทูลว่าพระองค์ทัา้อยเอ็ดยังยังทรงจําได้หรือไม่เมื่อครั้งพระเจ้าจนานันนณียึดราชสมบัติของพระองค์ท่างหลายในแล้วก็พาพระองค์ร้อยเอ็ดพระองค์ท่าน้อยเอ็ดมาอุตรปัญจารนาันครนจัดแจงตั้งสุราบันไว้หลามากมายในสวนหลวง อย่าทำวิธีดื่มชายบาลพราะราชาเรานั้นก็รับว่าจำได้ยังจำได้ดีท่านมันดิกนะแล้วก็ยังจำได้ว่าท่านได้นำทหารมาทำลายวิธีนั้นเสียด้วยโอ้โสดีนดีกล่าวทูลว่านั่นแหละพระเจ้าค่ะที่ข้าพระพุทธเจ้าช่วยประชนของพระองค์ทั้งหมดไว้ ราชาเรานั้นตัดถามว่าเรื่องเป็นยังไงไหนบัณฑิตต้องเล่าให้ฟังที่อยากจะรู้เรื่องเรื่องป็นยังไงช่วยกันแบบไหน ก, ก็จะกิงกันสนุกสนุ ก, น, กนี่พระโพสต์ยังประกาศว่าขอเนชาพระเจ้าจุนนีกับเกวัตที่จะโตรงพระชนระออทั้งหมดด้วยสุราที่เจียววิทยาพิธิีจัดไว ถ้าพระพุทธเจ้าได้ทราบความนี้จากผู้ทหารที่วังมาในเมืองนี้ท่นนั่นเองเขาบอกความลับตอนนี้เป็นต่อแล้วนี่นิ่งคิดว่าถ้าเรายังมีชีวิตยอยู่ก็ไม่ควรที่จะให้ประราชาพระองค์ทั้งหลายประราชาชนทั้อยเอกรองต้องสิ้นพระชนโลงเพราะความร้ายกายเขาไม่จะอ่าผู้ต้นคิดนี้เมื่อคิดอย่างนั้นแล้วข้าพระองค์จึงได้นําทหาร มาทำลายภาชนะเสียหมดรวงท่านหลายก็ยังไม่ดีทรงเด่มสุราเหล่านั้นเจียงทรงรอดรชจญอยู่ได้เรื่องราวเป็นมาอย่างนี้แหละพระเจ้าค่ะพระาราชเหล่านั้นไม่ได้สนสดับคำขากพระโอรสต่างก็สะดุ้มพระไทยหวาดเสียวพระพักเศร้ากราบทูลถามพระเจา้าจุลนีว่าขอเดชาตามที่พหโอรสพูดมานั้นเป็นความจริงหรือไงพระเจ้าค่ะ ไปเจ้จาจุลนีท่นจักดูว่าที่ทําไปดังนั้นก็นเพราะว่าเชื่อเกวัตบริิตเนี่ยคนผ่านปีนี้เวียงเรื่องกันเลยเสมอเพราะว่าสดที่พูดถูกราชาเหล่านั้นต่างก็สวมกอดมโหาสถแล้วก็ตัดถามตัดว่าท่านบันดิตท่านได้ช่วยชีวิตของพวกเราให้รอดมานับว่าท่านมีบุญคุณกับพวกเราอย่างยิ่ง และยังพากันถอดเครื่องราชา่นเครื่องบรรดับบูชามโหสดมโหสดเห็นไม่เจ้าจุนันทีพระพักตร์สหม้เพระตนเป็นคนเปิดเผยความจริงให้ปรากฏกับพระราชาเหล่านั้นจังได้กราบทูลให้ทรงหายพระวิตรกว่าค่าแต่มหาราชพระองคยังได้ทรงพระวิตกไปเลย เรื่องที่พระองค์ทรงทําไปนั้นก็เป็นพระโทษของการซ่องเสพด้วยมิตรลามกนั่นเองนี่ลูกหลานยกฟังในการครบมิตรชั่วน่ะมันเป็นอย่างนี้ท่านหลวงปู่จะนาเรื่องราก็ไม่ชั่วมาพูดันในที่นี้มันก็ยาวเกินไปฟังเรื่องของท่านไปว่าการครบคนชั่วน่ะเรามันชัวนนช่วไปด้วยเวลาจะคบคนต้องมีเหตุมีผลถ้าเข้าดีเราครบเขาชั่วเราเลิก ขอพระองค์สรงให้ประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นเอาโหสวีกกรรมเรื่องที่ลงมาแล้วช เ, นนเชิดเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีจึงรับสั่งกับประชาชหล่านั้นว่าข้าพเจา้าไม่ทํากรรมชั่วไปครังนั้นก็เพราะอาศัยคนชั่วคนชั่วนั้นเป็นความผิดของข้าพเจา้าจะอาศัยคนชั่วก็ตีงแหลแต่ถ้าว่าข้าพเจา้าก่อชั่วด้วยก็ถือว่าเป็นความผิดของข้าพเจา้า ขอท่านนั่งหลายเจ้าโ ห, หสิกรรมให้แ ก, รกพระเจ้าในการทําความช่วนั่นเถิดไอ้คนนี้ต้องอ่อนนะคนเดียวดีไม่ดีทั้งร้อยเอ็ทิ้งฆ่าตายหัวเวลาชาละนั้นแต่งก็ทูลโหสิกรรมแกพระเจ้าจนานุนนีแล้วก็แสดงความเชื่อมเชี่ยวชมดีๆต่อกันพระเจ้าจนานุนนีจากการเลี้ยงมีดนตรีมีมโหสพภายในวันนั้นชึ่อเวลาเจ็ดวัน แล้วก็สเสด็กเข้าสู่พนครอโอโนอนหนาวาวันทีเจ็ดวันนเนี่ยเมยยังไม่มาเลยวันหนึ่งพระเจ้าจรานีรับสั่งกับมโหสถว่าท่านบัณฑิตขอให้ท่านอยู่รับประการ ก, กับเราที่นี่เถิดเราจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการ <c oughs> อมโหสถทีน้กล่าทูลว่าข้าแต่เบลมกษัตริย์บุคคลใดสละท่านผู้มีอุปการและคุณกระตุนมาก่อนนี <c oughs> เพราะว่าเห็นการลาบสการะทรัพย์สินเทวยศยถานมันดาสักบุคคลนั้นย่อมได้รับการติดเตียนจากตนเองและจากคนอื่นเห็นไหมเป็นอาเหมาคนไทยเราคนไทยเราคิดคดทรยศยต่อประเทศอย่าจะให้ประเทศเอื่นเข้ามาปกครองตน ไปเอาคนอื่นเข้ามาชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านชาทหารต่างประเทศมาตีเมืองเราคนนั้นก็เป็นคนเลว อ, อย่างที่หมอสุดว่าพระเจ้าวิเทียรัตยังมีพระชนอยู่ตราบใดเขาก็อย่างนั้นตราบนั้นข้าพระพุทธเจ้าจะไม่ไปขออยู่ที่อื่นแล้วกับพระองค์และกลับพ ร, ระราชาองค์อื่นคือว่าจะไม่ยอมไปที่อื่นด้วยแล้วก็จะไม่อยู่กับพระราชาองค์อื่นด้วย พระเจ้าจุนันนีไ ม, ม่สามารถจะขอร้อนมโหสถอยู่กับพระองค์ได้เพราะว่าพระเจ้าวิเทราชยังทรงพระชนอยู่สิ่งตัดว่าท่าชิ้นนะั้นคุณเจ้ามาอยู่กับเราในเมื่อพระราชาของเจ้าสิน้นพระชนก็แล้วกันดีไม่ตีตามไม่วางยาพิษก็ไม่โลนนะมโหสถรับสนองว่าหากข้าพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ จะมารับปราชการกับพระองค์ในเมื่อพระเจ้าวิเทียร่าสิ้นพระชนม์ชีพแล้วพระเจ้าค่ะนี่เนี่ยว่าเขาไม่ยอมเป็นข้าสองเจ้าเหมาสองนายนะยังมีความซื่อสัตย์สุจริตประเทศเมื่อมโหสถได้เข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีท่านบอกว่าต่อมาวันหนึ่งโมโฮสถได้เข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีก็กราบขวารากราบทูลลาเข้าไปกลับไปสู่เมืองมิถิลามหานคร ร้ยเจ้าจุนนีจะได้พระราชทานทองหนึ่งพันลิ่มบ้านสวยแปดสิบบ้านทาสหญิงสี่ร้อยคนพันยายหนึ่งร้อยคนตายแน่ทาสหญิงสี่ร้อยนี่ก็พอล่อพันยายหนึ่งร้อยนี่ตายแน่ไม่ไหวกับฝากทาสกับฝากทาสชายหญิงโคกระบือละเครื่องรบรรดาบ อีกั้าเงินทองช่างมาล ถ, รราถาคอยพระราชทานแก่พระราชธิดาของพระองค์เป็่งของฝันของฝันมันแต่งงานโเกือบท้องแล้วเกือบมีลูกแล้วนะก็ส่งของฝันไปเมื่ อ, อการบีเศสรดกับพระเจ้าวิเทยรราชกับทรงขอร้องให้มหาสดส่งพระสมเด็จพระรจะนน้าตณี พระเมษีสีลพระราชบุตรกล่าคืนอุตรปรญจารนครด้วยขอสดได้เดินทางไปพร้อมกับขบวนอันยิ่งใหญ่จนกระทั่งถึงเขตวิทยารัเพระเจ้าวิเทยารัชทรงทรับอยู่บนตระสาดทอดบนเมตอกมาทางช่องบกแกลถือกองทัพใหญ่ทรงลิมเพล่ว่าเีนา ของมโหสดมีนิดหน่อยแต่ว่าที่มาคนที่มาครั้งนี้มันมากมายเหลือเกินมากกว่าเก่ามากเห็นจะเป็นกองทัพของพระเจ้าจุลนียกมากระมังจึงกัดตรฐ า, าจาระเจ้านาสีว่าหกท่านอาจารย์จงมองดูที่โนนมีกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถกองทัพราบยกมามากมายเป็นกองทัพของใคร <c oughs> ไปถามไอ้เท่าห้องงูสรารพฟฟัดพิษมันจะได้เรืร่องอะไรอาจารย์เซโ น, นกราเพราะว่าข้าแต่ร้อไม่ใช่เป็นกองทัพของใครที่ไหนดอกพระเจ้าค่ะเป็นกองทัพของหสถบัณฑิตท่านเองหสศกําลังนําหน้ากองทัพทั้งหลายแล้วนั้นตรงมาแล้วพระเจา้าค่ะพระเจ้าวิทียาราชทอดพระเนตรเห็นพระทอดพระเนตรไปอีกข้างหนึง่งก็ทรงเห็นหอศดจริงจริง ดีใจคือสมณัติอย่างยิ่งรับสั่งให้มนประชาชนชาวเมืองทำการต้อนรับอย่างสมเกียรติเฮนี้ยศใหญ่ยศประมโอสตมุนนาตรงก็ส่งกลุ่าเข้า ส, าสู่กลุมวิธลามหานครเข้ายัางไปยังราชสนักถวายบังคมให่เจ้ากุมกลุมพิีลาแล้วให้เจ้าวิเทยรราช สเสด็จลุกมาต้อนรับสมกอดมโหสถได้ชิงตัดว่าพ่อมโหสถพ่อกลับมาโดยความปลอดภัยร้องกับนำกองทัพเรามามาด้วยเช่นนี้เป็นพ่ออะไรเล่าให้พ่อฟังหน่อยเถิดลูกรักอย่าคุยดีและไม่คุยดีมโหสถไม่เป็นคนคุยยาวนะ เป็นนั้นว่ายังไม่คุดีกว่าเอาไว้ฟังกันมันหน้านะเพราะเวลาวันนี้มันหมดเวลาเสีแล้วนี่นะแค่คืนมาคุยฟังแล้วก็เวลามันเหลือสักหนึ่งวินาทีเท่านั้นก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาบันดาญาโยมพุะทบิสัท์และลูกหลานที่รักก่อนขอความสุขสวัสดิที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีดนลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี